อีกสูตรหนึ่งนะครับทาตัวสูตรนะครับสูตรนี้แจ๋วนะครับจะได้สัมพันธ์กับบรรยายที่เคยเรียน อ, อาสยานุสยญาณ น, นะครับอาสยะเลวนะพวกอาสยะมเลวก็คบหากับพวกอาสยามเลวก็คือธาตุนั่นเองนะครับจรงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์ตทั้งหลาย ย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับสัตว์ทั้งหลายโดยธาตุแลเหมือนกันโดยธาตุอ่ะนะคือสัตว์ผู้มีอัธยาสัยเลวย่อมเทียบเคียงกันกับสัตว์ผู้มีอัธยาสายเลวสัตว์ผู้มีอัตยาสัยดีย่อมเทียบเคียงกันกับสัตว์ผู้มีอัตยาสัยดีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแม้ในอดีตการก็เหมือนกันนะครับเลวก็เทียบเคียงกับเลวนะเทียบเคียงหรือคบหาสมาคมกับสัตว์ที่เลวนะ ครับว่าอัธยาศัยดีก็คบหาสมาคมกับอัธยาศัยดีนั่นแหละครับแม้ในอนาคตการแมในปัจจุบันการสัตว์ทั้งหลายย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับสัตว์ทั้งหลายโดยธาตุแลนะครับเหมือนเหมือนกันโดยธาตุนะผู้มีอัธยาศัยเลวย่อมเทียบเคียงกันเสมอกันกับผู้มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีย่อมเทียบเคียงกันเสมอกับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยดีนะครับแต่บางแห่งได้แปลลักษณะว่าคบหาสมาคมกันนะครับ บางแห่งอ่ะ น, นะที่บายว่าสัตว์ผู้มีอัธยาศาัยเลวก็คบหาสมาคมกับพวกอัธยาศัยเลวนะพวกอัธยาศัยปนีก็คบหาสมาคมกับผู้มีอัธยาศัยปนีนะครับก็แยกกับคนละในนะแต่ผมว่าอัธไม่ต่างกันนะครับบอกว่ากิเลสคถานะคถาตรัสว่ากิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวข้องนะครับนี่แสดงว่าคบหาจริงๆนะครับ กิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวข้องบุคคลย่อมตัดเสียได้เพราะความไม่เกี่ยวข้องแม้บุคคลผู้มีความเป็นอยู่ดีแต่อาศัยบุคคลผู้เกียจคร้านย่อมจมลงในสมุทรคือสงสารเปรียบเหมือนบุคคลขึ้นสู่แพ่ไม้น้อยๆพึงจมลงในมหันนบนะครับขึ้นเรือขึ้นแผ่น้อยๆจะข้ามฝั่งทะเลนะจะข้ามองไรก็แตกอยู่ในทะเลฉะนั้น เพราะเหตุนั้นบุคคลพึงเวน้นบุคคลผู้เกียดครานมีความเพียรอันเลวนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับพระเรียเจ้าทั้งหลายผู้สงัดแล้วผู้มีใจเด็ดเดียวผู้มีปกติเพ่งผู้ปราลบความเพียรเป็นนิจผู้เป็นบัณฑิตนะครับ น, นะแสดงว่าในสูตรนี้จะต้องเป็นลักษณะการคบผ้านะครับว่าสัตว์อัธยาศัยเลวก็จะคบกับคนเลวนะ คนดีก็จะคบกับคนดีแม้ในอดีตคนเลวก็คบกับคนเลวคนดีก็คบกับคนดีแม้ในอนาคตเนี่ยนะครับคนเลวก็คบกับคนเลวคนดีก็คบกับคนดีนั่นเองนะครับโดยอัถธานะครับพึงอยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าแล้วจะไปหาที่ไหนครับพระอริยเจ้าก็ครับถามนี้ผมก็บอกว่าอยู่กับพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมวินัยใดที่เราตัดไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลาย คำว่าอยู่ก็ร่วมกับพระไตรปิฎกนี่นะครับไม่ใช่ซื้อพระไตรปิฎกไปนอนกอดอยู่ในห้องนะครับหมายถึงอ่านแล้วก็ทรงจําพระไตรปิฎกแล้วก็ไปตรึกไปปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนะครับไม่ใช่โอ้โหมีพระไตรปิฎกอุ่นๆใจอยู่ในห้องหั้งชุดหนึ่งตู้หนึ่งแย่นะครับไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนนะครับนานๆเข้าพระไตรปิฎกก็ปลวกกินมอดนะครับะห่วงมากเลยนะครับไม่ยอมเปิดตู้เลยนะครับปิดไว้นะปลวกมันเจาะเข้าไปข้างหลังตู้นะครับเข้าไปอ่านเกลี้ยงเนยนะ ครับเปิดตู้ข้างนอกเนี่ยนะครับดูรูปเล่มงามมากแบบนั้นนะเหลือแต่ปกนะครับเออเนี่ยผมเห็นแล้วที่ทามอโนนะครับหนังสือชุดหนึ่งนะครับหนังสือรุ่นเก่าๆอยู่ตู้นะครับผมไปเปิดดูโอ้ปลวกกินหมดเลยนะครับสมัยที่ที่เขายังอาจจะรุ่นก่อนสร้างห้องสมุดน่ะนะปลวกกินเกลื่งนะครับข้างในอ่ะบทว่าทาตุโซแปลว่าโดยธาตุนะครับ าธาตุคืออัธยาศัยคือสภาวะของอัธยาศัยที่เรียกว่าอธิมุตอธิมุตกับธาตุในอันเดียวกันนะครับหรืออัธยาศัยหรืออาศัยะก็อันเดียวกันนั่นเองพระองค์ประสงค์อว่ า, าธาตุในที่นี้คือาธาตุได้แก่อธิมุตรหรืออัธยาศัยบทว่าสังสันติความว่าเข้ากันได้คือรวมกันได้ตามาธาตุคือตามอัทยาศัยเพราะมีาธาตุคือมีส่วนเสมอกันนั้น บอกว่าสมนติความว่าเป็นผู้มีความคิดร่วมกันสมาคมกันได้คือคบหากันได้ได้แก่เข้าไปหากันได้เพราะความเป็นผู้มีอัธยาศัยเสมอกันนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าปรับความปรับความชอบใจคือรสนิยมความอดทนและความเห็นให้เสมอกันในเรื่องนั้นๆ น, น, นะครับรสนิยมเดียวกันว่างั้นนะนะแต่ผมเชื่อเรื่องนี้นะครับอย่างคนที่สะสมอัธยาศัยมาในแนวพระไตรวิฎกเนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่าเขาไปคบคนที่ไหนก็ตามนะครับถ้าไม่ใช่แนวพระต่ายพิดกนะ <c oughs> เขาก็จะอยู่ไปอย่างนั้นไปเรื่อยพอไปเจอแนวพระไต่ายพิดกนะเขาสลัดแนวเดิมทิ้งหมดเลยนะครับเอาพระไต่ายพิดกอย่างเดียวะอลักษณะนี้ก็มีนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับถ้านับถือแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างใดยอย่างหนึ่งเป็นแน่นแฟนมาอาจจะไม่รู้ชาติไหนมาก็ตามถึงอยู่กับพระต่ายพิดกพอไปเจอแนวทางอันนั้นทิ้งพระไต่ายพิดกไปหาอย่างนั้นเลยนะครับตายตายไปเลยนะ ก็สํานวนเ้าว่าถ้าลูกกษัตริย์ก็นะครับถ้าหากว่าคู่บุพเพสนิวาสเป็นนายพรานหรือเป็นยาจกเนี่ยนะครับก็ทิ้งบ้านทิ้งเมืองตามเขาไปต้อยต่อยไปนะครับลูกเศรษฐีหนีตามชายบ้านนอกอย่างเงี้ยนะครับลูกเศรษฐีชาวเมือง น, นะมันเหมือนกันโดยธาตุนะครับเป็นลักษณะนั้นนะนะทนบทว่ากาลยานะทิมุติกาความว่าเชื่อว่าทิมุตีคือมีความโน้มเอียง ในธรรมะอันงามมีเนกขมมะเป็นต้นคือมีอัจฉิยาสัยประนิตนะครับอันนี้นะธาตุเลวก็คือพวกพวกมีอัจฉิยาศัยหมกมุ่นไปในกามทั้งหลายเรียกว่าธาตุเลวนะครับถ้าธาตุดีก็คือเนกขมมะธาตุเป็นต้นนะครับน้อมไปในเนกขมมะนะอธิบายว่าถ้าอาจารย์และอุปชาเป็นคนทุศีลคือเป็นคนไม่มีศีลแต่อันเทวาสิกยและสัตว์ที่วิหาริกเป็นผู้มีศีล อันเทวาศิษย์และสัตววิหาริกเหล่านั้นย่อมไม่เข้าไปหาอาจารย์และอุปชาจะเข้าไปหาเฉพาะแต่ภิกษุผู้มีสมณาารูปเช่นตนคือมีศีลมีธรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเอาใครมาเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ร่วมด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับพระอาจารย์สุโ ม, มนเล่าให้ฟังว่าท่านบวชในที่แห่งหนึ่งนะครับท่านไม่ได้อยู่เลยนะครับถึงว่าบวชมาท่านก็ไปเรียนชอบไปอ่านอชอบฟังอภิธรรมอ่อานอะไรนะ ธรมชาลสูตรถึงจุลศีลมัจิมาศีนอะไรเนี่ยท่านสลัดของเก่าทิ้งได้หมดเลยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นเออมันเป็นไปตามท่าจริงๆนะครับแล้วก็มานี่นะครับมามีใจรักในเรื่องอ่านพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกอะไรแบบเนี้อยู่อย่างนี้มาตลอดเลยนะครับเกือบสี่สิปีของท่านเนี่ยนะครับแต่ว่าไปอยู่ร่วมกับสมาคมบางอย่างก็ไม่นานนะครับอัธยาศัยมันไม่ให้อนะครับท่านก็เล่าให้ฟังแบบนั้นนะครับ ก็ถ้าอาจารย์และอุปชาเป็นผู้มีศีลอันเทวาสิกและสัตว์ทวิหาริกนอกนี้เป็นผู้ไม่มีศีลแม้อันเทวาสิกและสัตว์ทวิหาริกเหล่านั้นจะไม่เข้าไปหาอาจารย์และอุปชาจะเข้าไปหาเฉพาะผู้มีอัธยาศัยต่ําเช่นเดียวกันกับตนนั่นแหละนะครับหมายความว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะถ้าสมัยพุทธกาลนะถ้าอัธยาศัยเหมือนพระเทวทัตถึงบวชอยู่กับพระสารีบุตรไม่นานก็ย้ายสังกัดไปอยู่พักพระเทวทัตนะครับ ถ้าหากว่าอัธยาศาัยดีก็นั้นนะก็จะต้องหันเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคหันไปหาพระสารีบุตรเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าการเข้าไปหาอย่างนี้จะมีเฉพาะในปัจจุบันอย่างเดียวก็หาม่ได้โดยที่แท้แล้วแม้ในอดีตและอนาคตก็มีดังนี้จึงตรัสบทว่าอตีตัมปิพิกคเวดังนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าว่าโดยย่อแล้วนะครับผู้ตั้งมั่นในสังกิเลส ธ, ธรรมชื่อว่าผู้มีอัธยาศัยเลว ผู้ตั้งมั่นในสังกิเลตเนี่ยหมายเขาว่าตัณหาที่ทิทุจิติต่างหลายแล่นี่นะครับหรือว่าตั้งอยู่ในโลภะโทสะโมหะก็จะไปโคบหาสมาคมกับคนธาตเดียวกันส่วนผู้ตั้งอยู่ในโวทานธรรมนะครับธรรมที่พองแผ่วเนี่ยนะก็ชื่อว่ามีอัธยาศัยงาม น, นะสังกิเลธรรมก็ได้แก่กามพยาบาทถีนะมิทะเป็นต้นนะครับโวทานธรรมก็เนคข ม, มะอัพยาปาธาอะโลกสัญญาเป็นต้นนะครับ หรือว่าสังกิเลธรรมได้แก่มิจฉาทิฏฐินะครับพวกอุชเชต ท, ทิฐิสัสสตาทิฏฐิส่วนโวทานธรรมก็ได้แก่กรรมมัสกาหรือว่าสัจจานุโลมิกรรยายนมขยานเป็นต้นนั่นเองถามว่าก็การที่คนทุศีลคบคนทุศีลเท่านั้นการที่คนมีศีลคบคนมีศีลเท่านั้นคนที่มีปัญญาสามคบคนที่มีปัญญาสามเท่านั้นคนที่มีปัญญาคบคนที่มีปัญญาเท่านั้นนี้ใครกำหนด เอาใครมาคีดเส้นอันนี้ให้เดินนะเขาบอกว่าธาตุธาตุเนี่ยเป็นตัวกําหนดเหมือนกันน้ํามารวมกันในที่ลุ่มเอาอะไรมาเป็นตัวกําหนดนะความลาดความลุ่มนั่นแหละครับเป็นตัวกําหนดให้น้ํามันไหลเข้ามาหาที่เดียวกันะนะะมารวมกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับธาตุนั่นแหละเป็นตัวกําหนดไว้เขาบอกว่าเล่ากันว่าพิสูรหลายรูปเที่ยวพิษอาจารย์ในหมู่บ้านหนึ่งคนเหล่านั้นนําพัดเป็นอันมากมาใสา่จนเต็มบาทกล่าวว่า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงฉันตามส่วนที่ต้องการแล้วก็ส่งไปพิสูน์ทั้งหลายพูดกันว่าอาวุโสทั้งหลายคนทั้งหลายประกอบการงานที่เหมาะสมกับาธาตุคืออัธยาศัยดังนี้นะครับคือหมายก็ว่าเขาก็พูดถึงอาชีพของคนที่มาทำบุญไส่บาทเนี่ยนะครับเขามาเป็นพวกๆนะก็ตามแต่าธาตุนว่างั้นธาตุคืออัธยาศัยย่อมกำหนดงานที่ทำอย่างนี้นะครับนะพวกชอบงานแนวเดียวกันก็จะไปหาพวกเดียวกันนะครับ พวกชอบการบ้านการเมืองก็ไปหาพวกการบ้านการเมืองเดียวกันเป็นต้น น, นะครับมันแล้วแต่นะครับแม้แต่การเมืองก็ยังมาแยกพักทั้งหลายเลยเนี่ยก็เนื่องด้วยธาตุนั่นเองนะครับนะครับบัณฑิตพึงแสดงความโดยธาตสังยุตดังต่อไปนี้นะครับนะพูดถึงธาตสังยุตนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมบนแท่นพระประชวรบนภูเขาขี้จิกูดทอดพระเนตรดูพระโมกขาลานะภาษารีบุตรที่เฝ้าถวายอารักขา แต่ละรูปจงกรมอยู่กับบริษัทของตนนะครับจึงตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่สารีบุตรจงกรมอยู่กับพิสูจ์ทั้งหลายจํานวนมากพิสูจเหล่านั้นก็กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูุเหล่านั้นทั้งหมดแหล่ล้วนมีปัญญา ม, มากดังนี้นะครับนบพะพโมคขลานะก็มีบริษัทที่เดินตามก็มีฤทธิ์มากพรปานุรุธก็มีบริษัทที่มีตาทิพปเทวทัตก็มีบริษัทที่มี ลามกนะครับป่าธนาลามกคล้ายๆกันหมดนะครับไปรวมๆกันนั <c oughs> ้นก็เสมอกันด้วยธาตุนะครับที่พระ อ, องค์ตรัสว่าในคาถา่ากิเลศเกิดเพราะความเกี่ยวข้องบุคคลย่อมตัดเสียได้เพราะความไม่เกี่ยวข้องแม่บุคคลผู้มีความเป็นอยู่ดีแต่อาศัยบุคคลผู้เกียดคร้านอยู่ย่อมจมลงอยู่ในสงสารคือสมุดเปรียบเหมือนบุคคลขึ้นสู่แพ่ไม้น้อยๆพึ่งจมลงในมหนันนบฉะนั้น นี่นะครับถ้าหากว่าอัธยาศัยดีปรารถนาวิวัตตะอย่างแรงกล้าแต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เกียรติคร้านเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ฝักฝ่ายความพ้นทุกเนี่ยก็น่าจะจมลงอยู่ในวัตตะนะครับเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรหรือว่าธาตุที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกันนี่ก็พิจารณาให้ดีนะครับท่านวินิจฉัยว่าบทว่าสังสขาความว่าเพราะสังกิเลสคือเพราะการประกอบร่รวมกันด้วยสา ม, มารถแห่งการอยู่ร่วมกันเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะคลุกคลีกัน ในการคลุกคลี5้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นทัศนะสังสักานะครับคลุกคลีด้วยการเห็นกันเนี่ยนะสวนาสังสักาคลุกคลีด้วยการฟังซึ่งกันและกันเนี่ยนะสมุลาปณะสังสกากฆะคลุกคลีด้วยการเจรจาหรือว่าสัมโผฆะสังสักฆคลุกคลีด้วยการใช้ของเข้าของร่วมกันเนี่ยนะหรือว่ากายสังสักฆคลุกคลีกันด้วยกายนะครับมีการจับม้าจับมือเป็นต้นเนี่ยนะครับ บทว่าวะณะโธชาโตวความว่ากิเลสเกิดเพราะยังไม่ได้ถอนขึ้นด้วยมักนะครับบทว่าอาสังสักเคนะคิดชติความว่ากิเลสขาดไปในตอนต้นโดยการงดจากการคลุกคลีในชั้นต้นนะครับมีกายาวิเวกเป็นต้นแล้วขาดไปคือละได้ด้วยการไม่เกี่ยวข้องโดยส่วนเดียวด้วยสมุทเฉทวิเวกคือบรรลุอรยิยมรรค ทีนี้โดยสังเขปนะครับการเกิดขึ้นและการดับไปแห่งอัธยาศัยที่ต่ําเป็นอันพระองค์แสดงแล้วโดยสังเขปด้วยคําเพียงเท่านี้ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้คลุกคลีกันและกิเลสเหล่านั้นก็เกิดและเจริญขึ้นด้วยอํานาจแห่งความเกียดคร้านมิใช่ด้วยอํานาจแห่งการปราลบความเพียรเพราะฉะนั้นภิกษุเว้นบุคคลผู้มีอัธยาศัยต่ําเกียดคร้านแล้วก็คบพาผู้มีอัธยาศัยงามประกอบความเพียร พึงตัดกิเลสอันเกิดจากการคลุกคลีกันได้ด้วยการไม่คลุกคลีนะครับก็คือชักสะพานซะห่างๆกันไว้นะครับทีนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะแสดงเนื้อความที่กล่าวแล้วโดยพิสดารจึงกล่าวว่านะกล่าวโทษของผู้คนผู้เกียดเกลียดคร้านเนี่ยนะเหมือนกับการขึ้น เ, เหมือนกับการลงในแพรน้อยเนี่ยนะครับจึงตรัสว่าปริตังทารุงเพื่อประกาศโทษแห่งการคบหาคนผู้เกียดค้านก่อนนะครับ บอกว่าปริตตาธารุงก็คือท่อนไม้เล็กๆนะครับเอาท่อนไม้กระจิจไม้ไผ่นี่นะครับมาต่อๆๆแล้วก็ทําแพรลงไปในสมุทรนี่นะครับจมตายหมดนะครับบทว่ายถาสีเทมหานเวความว่าเหมือนผู้ประสงค์จะข้ามมหาสมุทรโดยนําเอาแพรสาเร็จด้วยท่อนไม้เล็กๆนะครับจะไม่ถึงฝั่งนะครับคงจมในท่ามกลางมหาสมุทรนั่นเองพึงตกไปเป็นผักษาของปลาและเต่าฉั้นใด ผู้ที่อาศัยผู้เกียจคร้านปราศจากการปรารบความเพียรตกอยู่ในอำนาจของกิเลสถูกเขาทําการคลุกคลีจึงมีชีวิตราบรื่นมีอาชีพบริสุทธิ์และศีลบริสุทธิ์แต่ถูกกรมวิตกเป็นต้นที่เกิดจากการคลุกคลีกับคนต่ํารบกวนอยู่ก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งได้จะจมอยู่ในห่วงมหันโนบนั่นเองฉะนั้นเหมือนกัน ตัวเองเนี่ยศีลดีนะครับเป็นต้นแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีการมาวิตกมากนะครับเดรฉานก็ทาเยอะนะหนักๆเข้าตัวเองก็เลยจมเลยนะครับในสังสารวัตรอีกนะครับบอกว่าตัสมาความว่าเพราะเหตุที่การคลุกคลีกับคนเกลียดคร้านเป็นเหตุนําอนัตต์อย่างนี้มาให้นะครับนําอนัตต์นะครับคืออะไรครับสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงมาให้นะครับนําความชิ้านายมาให้เพราะฉะนั้นพี่สุควรเว้นมิตรที่เกลียดคร้านเพราะจมดิ่งลง โดยการประกอบความเกียรติข้าหนึ่งๆเพราะอาศัยเขาคือผู้มีความเพียรต่ำกว่าบุคคลนั้นนั่นแหละได้แก่ไม่มีความเพียร น, นะครับคือย่วมร่วมกับเขาอะนะเขาก็จะชักชวนเออจะรีบไปไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเออเลยเห็นดีเห็นงามกันไปหมดเลย แต่พึงอยู่ร่วมคือคบหากับด้วยบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญานั่นเองผู้สงบสงัดแล้วด้วยสามารถแห่งกายวิเวกเป็นต้นและตะทางคข้าวิเวกเป็นต้นโดยส่วนเดียวนั่นเองนะครับหาบุคคลผู้กายวิเวกกิตตวิเวกอุปธิวิเวกนะครับหรือผู้ที่มีตะทางคข้าวิเวกวิขำพนาวิเวกสมุเฉทวิเวกปฏิปัสสัทธิวิเวกแล้วก็นิสรณวิเวกกันนะผู้ชื่อว่าเป็นอริยะเพราะต่อแต่นั้นไปนั่นเอง จะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเชื่อว่าเป็นผู้มีตนคือมีใจส่งไปแล้วเพราะความเป็นผู้มีตนคือใจเนี่ยนะครับส่งไปแล้วสู่นิพพานผู้ชื่อว่าเพ่งอยู่คือมีฌานเพราะเพ่งอยู่ด้วยสามารถแห่งอารัมมณูปนิสชานและลักคนูปนิสชา น, ลล น, น, ชานผู้ชื่อว่าปรารบความเพียรแล้วเพราะเป็นผู้ปรารบความเพียรโดยความเป็นผู้ประคองความเพียรไว้ในการละทุกเมื่อนะครับ เพราะฉะนั้นควรเป็นผู้มีตนส่งไปแล้วนะครับมีฌานนะทั้งสมถาวิปัสสนาแล้วก็ปารบความเพียรมีตนส่งไปตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีประภาคอย่างนี้นะครับนี่ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน